วิธีสละของที่เป็นนิสกีสละแก่สงพิกษณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์อมอุตราสงฉ่วยงบ่าข้างหนึ่งกลับเท้าพิกษณีผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าของนี้ดิฉันให้เอาบริการที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่สงที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนมาเป็นนิสกี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 ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูปหมบุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรนสานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งหมบุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง นั่งกระโยงกระโนมเออกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติดิฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้า